วิธีให้ปริวาทและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงให้ปริวาทอย่างนี้คือภิกษุอุทาญีนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งประโยคประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ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 และภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติจตุธกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพาเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาดวันเดียว เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้ปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้วันเดียวนั้นแก่ภิกษุอุทายีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวภิกษุอุทายีนั้นขอปริวาดวันเดียวเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิแล้วปิดไว้วันเดียวกับสงสงได้ให้ปริวาดวันเดียว เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปดใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้วันเดียวแก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วย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 สงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้